นักปรัชญาเขาคิดกันว่าถ้าวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือโลกของศสสารแล้วเนี่ยมันเข้ามาบังคับโลกของสสารได้ยังไงผมเคยเจอผีออมบ่อยมากมีช่วงช่วงหนึ่งผมเจอบ่อยมากผมไปทำงานอยู่เชียงใหม่ผมเจอทุกครั้งแล้วผมเจอทุกครั้งผมหลับทุกครั้งเลยก็คือขยับไม่ได้ใช่ไหมก็หลับต่ อ, อ ก, ก็ดี You're listening to the Standard Podcast the eye-opening experience for your ears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 ผีเนี่ยอาจจะเป็นหัวข้อที่ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มาคุยกันในรายการนี้นะคะแต่ว่าใครจะไปเชื่อว่าใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์ได้จริงๆนะคะวันนี้เราเลยมาคุยกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ต้องออกตัวก่อนว่าเราไม่ได้มาร์คพิสูจน์หรือว่าอะไรแต่ว่าเป็นในแง่ของการทําความเข้าใจในบางแง่มุมที่ฟิสิกส์หรือว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยอธิบายได้แบบนี้ดีกว่านะคะก็วันนี้อยู่กับฟางรัชเโรจิตพนานะคะแล้วก็ปองแปงอาจจะว่ารองจันธมาศครับค่ะ Uh, ทุกทุกตอนเลยเราจะเริ่มว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงแต่ว่าแบบภาพมันก็หลอนนะพี่ <c oughs> คุยกัน <c oughs> แบบเห็นภาพข้างหลังนี้บอกตรงๆว่าผีกับวิทย์เนี่ยฟังไม่คิดเลยนะว่าแบบเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ได้จริงๆหรอมันอธิบายได้จริงๆหรอทําไมไม่ได้ล่ะครับไม่รู้รู้สึกว่ามันเป็นทางแบบสปิริตชั่มากกว่าสิ่งที่จับต้องได้จริงๆต้องบอกครับว่าแนวคิดเรื่องเกี่ยวกับผีหรือวิญ ญ, ญาณเนี่ยนะ มันเป็นความเชื่อที่เก่าแก่มากที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์สา ร, สารหรือโลกรอบตัวเราครับฟังก็จะมีสิ่งไม่มีชีวิตเช่นแก้วน้ำํำโต๊แล้วก็สิ่งที่มีชีวิตอย่างพวกเราซึ่งเป็นมนุษย์นะฮะและมนุษย์เราเนี่ยก็มีพฤติกรรมที่ซับซ้อนแล้วก็มีเจตจํานงบางอย่างของตัวเองที่แตกต่างจากแก้วน้ําหรือโต๊ะแก้วน้ําเนี่ยมันไม่หิวน้ํานะครับมันไม่ได้มีจุดมุ่งหมายไม่มีความฝันไม่มีความอยากอะไรมันก็ผมยกมันก็ขึ้นอะไรเงี้ยแต่มนุษย์เรามีอะไรมากกว่า น, นั้น มนุษย์เรามีความคิดอ่านมีความฝันมีความกระหายมีความทุกโศกเสียใจอะไรพวกเนี้มันเลยทําให้นักปรัชญานในยุค ก, ก่อนเนี่ยเขามีความเชื่อบางอย่างว่าสิ่งมีชีวิตอาจจะมีบางอย่างที่เป็นธาตุพิเศษอยู่ในร่างกายธาตุพิเศษที่ว่าเนี่ยแหละก็คือผีหรือวิญ ญ, ญาณ น, นะครับซึ่งผมอาจจะเรียกรวมๆก็แล้วกันนะจริงๆคําว่าผีหรือวิญ ญ, ญาณเนี่ยก็ไม่ได้มีนิยามที่ชัดเจนตรงกันสําหรับทุกเชื้อชาติชนชาติหรือทุกตํานานความเชื่อด้วยนะ มันไม่เหมือนนักฟิสิกส์อธิบายธรรมชาติของอิเล็กตรอนว่าต้องมีมวลเท่าไหร่ประจุเท่าไหร่อะไรแบบนั้นไม่ไม่ใช่เลยคำว่าผีหรือวิญ ญ, ญาณเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เผลอๆคนในประเภทเดียวกันอย่างคนไทยเองคนสองคนก็มีมุมมองต่อเรื่องนี้ที่แตกต่างกันออกไปอีกดังนั้นผมอาจจะกล่าวแบบกว้างๆว่าผีหรือวิญ ญ, ญาณเนี่ยในเชิงปรัชญาแล้วก็คือธาตุพิเศษที่ที่แฝงอยู่ในร่างกายสิ่งมีชีวิตแล้วมันก็ออกมาตอนที่สิ่งมีชีวิตนั้นเนี่ยตายไป แล้วถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของผีหรือวิญญาณในแง่ของฟิสิกส์การวัดในเชิงแบบปริมาณสาสารอย่างเงี้ยมันทำได้ไหมคะก่อนอื่นเลยคือมันต้องมาถามก่อนว่าผีเนี่ยเป็นสาสารหรือไม่นะมถ้ามันเป็นสาสารเราต้องตรวจจับได้ถูกไหมครับแต่มันน่าสงสัยอย่างนี้ก็คือมนุษย์เราเนี่ย จนอรารยธรรมมนุษย์พัฒนามาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็มีการส่งดาวเทียมส่งยานอวากาศออกไปมากมายเรายังสามารถตรวจจับอนุภาคที่เป็นองค์ประกอบของเอกภพได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นอิเล็กตรอนควาร์กนิวตริโนเคยได้ยินนิวตริโนไหมครับอืมไม่เคยค่ะโอเคเราอัดรายการกันตอนกลางวันครับน้องฟางลองยื่นมือออกมาแบบนี้อือทุกวินาทีเนี่ยจะมีนิวตริโนที่พุ่งออกจากดวงอาทิตย์นะครับเป็นพุ่งทะลุมือของน้องฟางเนี่ย ไปอีกภากหนึ่งของโลกอย่างรวดเร็วเป็นล้านอนุภาคเลยปริมาณมหาศาลมันเป็นอนุภาคที่พุ่งออกจากดวงอาทิตย์ตลอดเวลาแล้วแทบจะไม่ทําปฏิกิริยาอะไรกับร่างกายหรือาสารอะไรเลย<ม>หนึ่งวินาทีมีเป็นล้านอนุภาคพุ่งผ่านมือเราอะแต่มนุษย์เราก็ไปตรวจจับมันเจอได้โอ้ถึงแม้ว่ามองก็ไม่เห็นไม่ได้ส่งผลอะไรก็ยังตรวจจับได้ใช่<ม>แต่ครั้งนั้นเราก็ยังไม่เจอสิ่งที่มี สัญญาณของสิ่งที่เรียกว่าเป็นผีหรือวิญญาณในทางวิทยาศาสตร์ ม, มันก็เลยนำมาซึ่งคําถามที่ว่าถ้าวิญญาณเนี่ยหรือผีเนี่ยนะครับเป็นสาสารจริงและตัวมันเนี่ยอินเทอร์เรคชั่นกับสิ่งอื่นๆได้อ่อนยิ่งกว่านิวตริโนนะแล้วมันบังคับร่างกายเราได้อย่างไรล่ะงงไหงง ม, มฮะคือขนาดนิวตริโนที่มันไม่อินเทอร์เรคกับอะไรเลยเรายังตรวจจับมันเจอ<ะ>ก็เท่ากับว่าวิญญาณอาจจะต้องเป็นสิ่งที่ ละเอียดอ่อนหรือไม่อินเทอร์แคกับใครยิ่งกว่านิวตินอ e สซะอีกอแต่กระนั้นเราก็ยังไม่เห็นมันก็เลยนำมาซึ่งคำถามนี่แหละว่าแล้วถ้ามันอ่อนขนาดนั้นมันมันบังคับร่างกายให้เราเคลื่อนไหวอะไรแบบนี้ได้ยังไงอะไร น, นั่นคื อ, อเรื่องที่เราถ้าเราจะเชื่อว่าวิญญาณเป็นสสาร<ะ>แล้วถ้าวิญญาณไม่ใช่สสารล่ะเป็นเหมือนสปิริตชั่อะไรสักอย่างที่มันอยู่นอกเหนือโลกของสสารอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนคิดนะนักปรัชญายเขาคิดกันว่า ถ้าวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือโลกของสารานแล้วเนี่ยมันเข้ามาบังคับโลกของสารานได้ยังไงอในเมื่อตัวมันไม่เป็นสารานมันต้องมีคุณสมบัติที่ต่างจากสารานไปทั้งหมดนึกออกไหมครับมันเหมือนฝากหนึ่งของแขนผมเนี่ยเป็นสารานอีกฝากหนึ่งเนี่ยไม่ใช่สารานเลยนะมันจะมาสั่งการแขนด้านนี้ได้มันจะต้องมีตัวกลางถูกไห ม, มแล้วตัวกลางนี้ต้องมีคุณสมบัติของทั้งวิญญาณและไม่วิญญาณแล้วมันคืออะไร เราไม่สามารถนึกหาสิ่งที่เป็นทั้งศาสารและไม่เป็นศาสารไปพร้อมๆกันได้อ ม, มันยิ่งดูฟังดู พ, พ, พิลั่นและชวนน่าสงสัยเข้าไปใหญ่คือปัญหานี้เป็นปัญหาทา ง, ทางปรัชญานะฮะคือจะบอกว่าความคิดเกี่ยวกับผีและวิญญาณเนี่ยจริงๆก็ถูกตั้งคําถามจากนักปรัชญามาโดยตลอดเหมือนกันว่าเฮ้ยมีอยู่จริงเหอนะรอคือนักปรัชญาอย่างที่บอกเขาจะพยายามตั้งคําถามกับแทบทุกสรรพสิมอยู่แล้ว แต่เมื่อกี้ก่อนเราจะคุยกันเมื่อกี้มีคุยกับทีมงานมาก่อนด<ๆ>้วยนะเขาบอกว่าเฮ้ยมันวัดได้ดิพี่แบบในบางรายการก็จะมีการใช้แบบคลื่นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจับความร้อนหรือว่าจับมวลพลังงานอะไรอย่างเงี้ยอื ม, มันวัดได้ปะหรือว่าเคยฟังว่าเราเคยมีคนที่พยายามวัดมันไหมอย่างเงี้ยดิว่าพูดถึงรายการนี้กล้วนะเขาก็บอกแล้วว่าให้ใช้วิทยาลัยนอ ดังนั้นของแบบนี้มันก็นแล้วแต่ความเชื่อนะครับอ่าแต่ทีนี้ถ้าถามนักว่านักวิทยาศาสตร์เขาเคยวัดวัดเจอไหมหรืออะไรอย่างนี้นะก็ต้องบอกว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยจริ ง, รงๆเขาก็พยายามจะทําการทดลองเกี่ยวกับวิ ญ, ญญาณมาโดยตลอดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการพยายามชั่งน้ําหนักวิญญาณเคยได้ยินไหมฮะชั่งน้ําหนักใช่คือมีอยู่คนหนึ่งนะเขาพยายามจะพยายามศึกษาวิญญาณอย่างเป็นไซนทิฟิกก็คือเอาผู้ป่วยที่ใกล้เสียชีวิตแล้วก็ยินยอมนะฮะ มาให้ช่างน้ําหนักด้วยเครื่องมือช่างที่เขาออกแบบเองด้วยว่าตอนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยร่างกายเขาเบาลงเท่าไหร่อ๋อเหมือนเขาพยายามจะวัดให้ได้ว่าพอพอเราตายแล้ววิญญาณมันออกช่จากร่างแล้วมันก็เป็นเรื่องเป็นราวว่าผลการทดลองเนี่ยคือผู้ที่เสียชีวิตไปเนี่ยน้ำหนักจะลดลง21่สิบอ็กรัมเออแล้วก็มีหนังแบบว่าโอ้ชื่อเรื่อง21กรัมอย่างเงี้ยออกมาด้วยนะเธอเป็นดิวันแกรมครับแล้วมันเชื่อถือได้จริงปะ แต่ถ้าไปอ่านการทดลองนี้จริงๆจะพบว่ามันเป็นการทดลองที่ไม่มีข้อสรุปเพราะว่าบางผู้ป่วยบางคนก็น้ําหนักเบาลงบางคนก็หนักขึ้นบางคนก็ขึ้นลงขึ้นลงมันมันมันไม่เสถีย rna นฮะมันไม่ใช่ของที่วัดกันได้ง่ายขนาดนั้นอหรือมันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆไหมที่มันส่งผลต่อการเพิ่มหรือลดของน้ําหนักหลังจากนี้นั่นแหละ<ป>มัน ม, มันวัดยาก อ, อแต่เอาจริงๆถ้าผีเนี่ยถูกตรวจจับได้จริงเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่า เขาก็อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นพลังงานอะไรเงี้ยตามความเชื่อของบางคนแต่ถ้าตรวจจับได้จริงนะ ว, ว่าผีอาจจะถูกเอามาใช้แรงงานก่อนเลยจริงถูกดูดพลังงานมาเอาเป็นพลังงานใช่ไหมโดนใช้พลังงานแน่นอนอเพราะว่าทุกคนเนี่ยหลัลงขาดแค่พลังงานพลังงานราคาแพงครับอ้าใช้พลังงานจากผีเนี่ยน่าจะฟรีดีโอเคทีนี้เราอยากรู้ต่อว่าอาะแล้วถ้าเกิดว่าในเชิงการมีอยู่ ผีหรือวิญญาณมันอาจจะยังไม่มีการทดลองหรือว่าการพิสูจน์อะไรที่ชัดเจนแล้วไอ้ปรากฏการที่คนมักจะรู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราได้สัมผัส ก, กับการเจอผีนะหรือมันจะเป็นการละเล่นหรือมันจะเป็นอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเราเชื่อมโยงกับผีหรือสื่อสารกับผีได้เนี่ยมันมีการอธิบายเรื่องนี้ได้จริงๆริงไหมคะคืออย่างนี้ก่อนผมต้องบอกว่าผีเนี่ยเป็นเรื่องความเชื่อใครจะเชื่ออะไรยังไงก็เป็นเรื่องความเชื่อนะครับผมมองว่าผีเนี่ยเป็นคําอธิบาย ธรรมชาติที่มนุษย์เนี่ยใช้ในการอธิบายสิ่งต่างๆที่เขาอาจจะยังตอบไม่ได้หลายเรื่องนะครับหลายๆเรื่องที่เราเขาไม่ไม่เข้าใจว่าเกิดจากอะไรก็อาจจะบอกว่าเป็นเพราะผีเช่นถ้าผมนอนอยู่ในบ้านตอนกลางคืนคนเดียวอะแล้วมีเสียงก๊อกแก๊กอยู่ข้างล่างเงี้ยเหมือน <S <S <S คนเปิดประตะูแล้วตื่นมาเพราะว่าแบบไ ม, ไม่มีคนเปิดคําอธิบายมากมายที่ใช้อธิบายเรื่องนี้นะก็มีนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสียงหนูเสียงไม้ลั่น มีคนมาเปิดจริงแต่เข้าไม่ได้ผมฝันและหนึ่งในนั้นก็คือผีมันมดังนั้นผมมองว่าผีก็เป็นหนึ่งในคําอธิบายที่มนุษย์สร้างขึ้นมาอธิบายธรรมชาติเวลาเราเจอปรากฏการณ์ที่เราไม่ค่อยเข้าใจเช่นมีแสงพุ่งจากท้องฟ้าเป็นเส้นลงมาเงี้ยก็อาจจะบอกว่านั่นเป็นผีพุ่งใต้น ะ, ะทั้งที่จริงๆมันก็คือดาวตกซึ่งก็คือวัตถุ ข, ขนาดเล็กขนาดเม็กทรายที่มันพุ่งเข้ามาในชั้นบรรยากาศด้วยความเร็วสูงแล้วมันก็ เกิดความร้อนเป็นแสงสว่างขึ้นมาอะไรแบบนี้ครับหรือเวลาเกิดผีเข้าอย่างเงี้ยก็ทุกวันนี้หลายๆโรคนะครับถูกอธิบายได้ด้วยปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ทางสมองทางอะไรพวกนี้ว่ารังั้งคนที่มีอาการชักเกรงหรือผีเข้าเนี่ยก็เป็นโรคที่เป็นพวกลมชักมันแบบอยู่ดีๆก็มีการเคลื่อนไหวที่มันแบบผิดปกติไปจ า, าจากเดิมพวกนี้ฮะหรือมีอาการทางสมองบางคนที่ได้ยินเสียงกระซิบที่ บอกให้ไปทําโน่นทํานั่นทํานี่อะไรอย่างนี้คนี่มีเขาได้ยินกันจริงๆนะแบบได้ยินแบบเป็นเสียงเหมือนผมได้ยินฟางฟังได้ยินผมยังไงครับได้ยินเป็นคําำเป็นคำคำบอกเลยบอกว่าให้ไปทําอย่างโน้นอย่างเนี้ยพวกนี้เป็นอาการทางสมองเกี่ยวกับสารเคมีในสมองพอได้รับยาแล้วก็ก็เป็นปกตอิอืมก็คือสามารถพิสูจน์ได้แหละว่ามันมั น, ม, นมันไม่ใช่เรื่องที่เหนือธรรมชาติเราค่อยๆ อ, อธิบายเรื่องที่ดูเหมือนจะอธิบายไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆใช้คํานี้ดีกว่าอืมและสุดท้ายตอนเนี้ย สิ่งที่ดูเหมือนจะอยู่เหนือธรรมชาติอ่ะมันอยู่ในธรรมชาตินี่แหละแล้วเราก็ค่อยๆสร้างคาอธิบายมันค่ะค่ะแล้วอ่ะอย่างนี้มีแบบบางทีแล้วก็ตั้งแต่เด็กๆน้นก็จะแบบเล่นมีผีห้วยแก้วไอ น, นี่เคยเล่นจริงเหรอเคยเคยเล่นตอนประถมอะไรเงี้ยไ ม, ไม่ไม่กลัวเหรอครับฟังว่ามันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนสิ่งที่แบบเคยเล่นอะไรที่มันตื่นเต้นและน่ากลัวแต่ว่า เพื่อนไปกันมันก็จะรู้สึกว่าเออมันก็เหมือนเป็นสิ่งที่สนุกอะความตื่นเต้นมันทําให้เอออยากลองดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเล่นผีถวยแกแ้วตอนนั้นอะ <c oughs> มันขยับปะเออมันแปลกๆนิดนึงนะคืั ง, งนะก็ก็รู้สึกว่ามันขยับนะแต่ว่ามันก็พิสูจน์ไม่ได้ไงว่าใครเป็นคนดันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอืมเอม อ, อ, อ, อ, อจริงๆปรากฏการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยอธิบายได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าถ้าไม่นับมือเพื่อนที่พยายามเกรงดันไปนะครับ ต่อให้ไม่มีใครทําแบบนั้นเนี่ยถ้วยก็อาจจะขยับได้เหมือนกันเป็นปรากฏ ก, การณ์การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้ออัตโนมัติที่จิตใจเราควบคุมไม่ได้คือเวลาเรายื่นมือออกมาหรือทําอะไรแบบเกร็กงๆแบบนี้มันมีสันสันหรืออะไรนิดๆหน่อยๆแบบนี้อยู่แล้วหรือบางทียิ่งเรื่องมันถูกบิ้วขึ้นมาหรืออะไรยังไงเนี่ยบางทีมือมันมีแนวโน้มจะเคลื่อนไหวไปได้เหมือนกันเอาอย่างนี้เอาง่ายที่สุดก่อนรู้จักดาวซิ่งไหมดาวซิ่งเนี่ยดังมากสมัยผมเป็นเด็กก็คือ เขาจะเอาแท่งเหล็กนะครับรูปตัวเอลมาถือไว้สองมือแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าอยากจะเจออะไรตอนเด็กผมทดลองมาแล้วนะอันนี้เรื่องจริงเลยคือบ้านผมอยู่อยู่ต่างจังหวั ด, ดวนะก็เดินถือไปเลยแล้วผมอยากได้น้ำบาดาลเลยแล้วผมก็ตัดกันคือไอ้ไอ้แท่งเหล็กเนี้ยถ้ามันตัดกันเมื่อไหรอ่อ่ะเขาบอกว่านั่นอะ่ะคือมีน้าบาดาลผมก็ปักตรงนั้นก่อนอ แล้วผมก็ลองทดลองเดินไปเรื่อยๆแล้วเพะว่าพอกลับมาที่เดิมอ่ะมันไม่ตัดแล้วไงออแล้วมันก็ไปตัดที่อื่นแล้วก็ไปตัดที่อื่นมันทดลองซ้ําไม่ได้อแต่ตอนเด็กแม้จะคิดได้อย่างนั้นก็ตามนะผมก็ยังเชื่อว่ามันอาจจะมีอออ่ืผมก็เลยบอกพ่อให้ลองขุดดูเออพ่อขุด จนพ่อขึ้นไม่ได้ครับยังไม่เจอน้ําเลยอ๋อสุดผิดมากเออแต่ว่าเรื่องนี้น่าสนใจว่ามันทําซ้มไม่ได้เนาะไม่ได้สรุปก็คือมนุษย์เราอ่ะมีการเคลื่อนไหวร่างกายในระดับนิดหน่อยสั่นบ้างะอะไรบ้างในระดับที่เราไม่รู้ะนะครับอยู่แล้วนะดังนั้นพวกผีถ้วยแก้วเนี่ยก็ก็อาจจะเกิดจากปรากฏการณ์ในลักษณะนี้แล้วไม่ได้แค่คนไทยนะครับที่เล่นฝ้าลงฝ้าหงนี่เล่นกันเป็นล่ําเป็นสัารเลยไปเสิร์ชหาได้อเป็นกระดานเป็นบอร์ดเป็นอะไรพวกนี้ฮะบางทีก็เป็น ลุกตุ้มเป็นไรแล้วก็ดูว่ามันชี้ไปหาคำไหนอะไรพวกเนี้ย อ, อ, อเล่นกันทั่วโลกครับสนุกสนานอย่างเมื่อกี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นขณนะที่เรารู้สึกตัวเนาะเราตื่นเราอาจจะมือขยับอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรากลับไปที่ในขณะที่เราไม่รู้สึกตัวเราหลับเรานอนหลับแล้วมีปรากฏการณ์บางอย่างบอกเอ้ยผีอำหรือว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราร่างกายเราเองเนี่ยมันเหนือการควบคุมวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายเรื่องนี้ได้หรือเปล่าผีอำเนี่ย ภาษาอังกฤษคือ slip paralysis นะครับผมเชื่อว่าหลายคนเคยเป็นอันนี้ฟางเคยเคยโดนผีอัมไม่เคยโห oh. ไม่ดีแล้วไม่เคยผีอัมเนี่ยนะครับต้องลองสักครั้งคือ paralysis เนี่ยมันถึงเป็นอมาาัมพาตเนาะ mm hmm. คนที่โดนผีอัมเนี่ยจะนอนหลับไปแล้วช่วงก่อนกําลังจะหลับเคลิ้มหลับหรือช่วงกําลังจะเคลิ้มตื่นเนี่ยมันจะรู้สึกขยับตัวไม่ได้เลยมันเป็นอมาาัมพาตขยับแบบไม่ได้พูดไม่ได้นะครับเคลื mm ่อนไหวร่างกายอะไรไม่ได้เลยแล้นะ mm hmm. วก็จะกลัวอ ทีนี้เนี่ยหนึ่งในคําอธิบายก็คือโดนผีอมาอำถ้าไปดูภาพเขียนสีน้ํามันของศิลปินบางท่าน mm. ก็จะเป็นรูปผีามานั่งทับคนอยู่ mm. ทีนี้มันมีนักวิทยาศาสตร์ศึกษาแล้วก็เรื่องเนี้ยก็สามารถอธิบายได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะครับว่าผีที่มาอำเนี่ยจริงๆก็จะต่างกันไปตามตามความเชื่อของแต่ละแต่ละประเทศแต่ละคนด้วยนะ mm. เออถ้ามันเป็นปรากฏการผีที่มีความเป็นสากลจริงมันก็ต้องเป็น เป็นอะไรที่สากลแต่มันไม่สากลและสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือว่าเวลามนุษย์กำลังจะเข้าสู่การหลับเนี่ยนะครับร่างกายเรามันจะหลั่งสารบางอย่างออกมาเพื่อให้เพื่อให้ตัวเราเป็นอมตาะาร่างกายเราเป็นคนทำเองใช่ครับเพราะว่ามันเกิดผลดีต่อร่างกายอลองนึกภาพว่าถ้าเราต้องเคลื่อนไหวร่างกายไปตามความฝันทุกครั้งผมปีนต้นไม้แล้วตกต้นไม้แล้วผมต้องปีนทุกครั้งขยา โอ้โหมันมันเป็นไปได้สูงที่ร่างกายเนี่ยจะแหว่งไปโดนไอ้นูนไอ้นัน่นแล้วก็จะบาดเจ็บเนาะร่างกายก็เลยทําให้เราเป็นอัมาตะด้วยการหลั่งสารบางอย่างออกมาตอนที่เรากําลังจะหลับนะครับทีนี้ถ้าเราเผลอตื่นขึ้นมาในช่วงนั้นนะครับหนึ่งเลยเราขยับร่างกายไม่ได้เราจะตกใจกลัวซึ่งบางครั้งเนี่ยช่วงอยู่ในรอยต่อระหว่างหลับกับตื่นเนี่ยไอ้สิ่งที่อยู่ในฝันมันมั น, ม, นมันเหมือนจะอยู่แถวนั้นด้วยเราก็เลยจินตนาการไปได้เหมือนกันว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องจริง มันก็คือความฝันนั่นเองอเหมือนอยู่ในภาวะที่กึ่งๆึ่งอ่ะจะ<ช>จะตื่นก็ไม่ตื่นจะหลับก็ไม่หลับก็เลยกลายเป็นว่าเตื่นมาเจอกับร่างกายที่อยู่ในภาวะที่ก<อ>ึ่แล้วความฝันของเราที่มันเบลอๆอยู่ตอนนั้นนะมันอาจจะมาซ้อนทับเป็นภาพที่เราเห็นกับโลกจริงก็ได้ดังนั้นมันเป็นแค่การหลังสารสื่อประสาทกับการตื่นที่มันผิดจังหวะไปบ้างแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวนะครับคือคนที่เจอผีอำเนี่ยก็ไม่ต้องแบบว่าไปหาหมอหรือไปทําอะไรยังไง เป็นปรากฏการณ์ปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับทำใจร่มๆผมเคยเจอผีอัมบ่อยมากมี ช, ช่วงหนึ่งผมเจอบ่อยมากผมไปทำงานอยู่ชี่ลใหม่ผมเจอทุกครั้งแล้วผมเจอทุกครั้งผมหลับทุกครั้งเลยก็คือขยับไม่ได้ใช่ไหมก็หลับต่อก็ดีครับชิว <laughs> ก็ไม่ได้เป็นไรทุกวันนี้ผมก็มีชีวิตที่โอเคนะร่างกายแข็งแรงดีครับ สุดท้ายพอเราคุยกันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยจะบอกแบบนั้นได้ไหมว่า เ, ออเรื่องผีหรือเรื่องวิญ ญ, ญาณเนี่ยก็ยังไม่ได้มีหลักวิทยาศาสตร์อะไรที่อธิบายหรือว่ารองรับหรือพิสูจน์มันได้จริงๆเอางี้ผมผมพูดตรงๆก็แล้วกันคือตอนนี้ในทางวิทยาศาสตร์นะครับในทางวิทยาศาสตร์นะเรายังเรายังตรวจจับไม่พบสัญญาณของการมีอยู่ของสิ่งที่เรียกว่าผีหรือวิ ญ, ญญาณไม่ว่าจะเป็ น, นเชิง ส, สารหรือพลังงานอะไรก็ตามเรายังไม่พบ แต่การตรวจจับไม่พบเนี่ยอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆเหมือนกันว่ามันไม่ได้หมายความว่ามันจะมีหรือไม่มีนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ยังอาจจะต้องมองหาคําอธิบายให้ครอบคลุมมากขึ้นเรื่อยๆต่อไปแล้วก็อาจจะต้องพัฒนาการตรวจจับให้มันดีขึ้นเรื่อยๆต่อไปในอนาคตแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจครับว่าแนวคิดเนี่ยมันเก่าแก่มากและมันเป็นแนวคิดที่อย่างที่บอกน้องฟางเองอะ่ะก็ยังไปเล่นผีทุยแก้วด้วยความเพลิดเพลินมันเป็นมากกว่าเรื่องความเชื่อมันเป็นเรื่องของความตื่นเต้นและ อาจจะเป็นเรื่องของอะไรบางอย่างที่เหมือนลึกๆแล้วมันอาจจะฝังอยู่ในร่างกายหรือ DNA ความเชื่ อ, อของมนุษย์ก็ได้จนบางทีผมคิดครับว่าต่อให้มนุษย์สามารถเดินทางไป colonize กาแล็กซี่อื่นหรือดาวเคราะห์ดวงอื่นเช่นไปอยู่บนดาวอังคารหรืออะไรนะครับผมว่าสุดท้ายเรื่องของผีก็ตามเราไปที่นั่นครับเรื่องผีเนี่ยก็เป็นความเชื่อเก่าแก่โบราณเนาะแล้วก็นักวิทยาศาสตร์เองก็ สนใจพยายามศึกษาแล้วก็อธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิญญาณมาโดยตลอดอธิบายได้ก็มากยังอธิบายไม่ได้ก็มีนะครับแล้วเราก็พยายามขยายขยายขอบเขตวิทยาศาสตร์ให้ครอบคลุมปรากฏการณ์ต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆเอาอย่างนี้ดังนั้นในเมื่อมันเป็นมันยังมีพื้นที่ที่บางทีเนี่ยเรายังยังยังกั้มกึ่งอยู่เนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องความเชื่อและวิจารณญาณนะครับว่าใครที่มีความเชื่อแบบนี้ก็ถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนใครก็จะเชื่อไปก็ไม่เป็นไร S <S เพราะว่ายังไงมนุษย์เรามันก็ใช้ชีวิตอยู่บนอยู่บนความเชื่อในอะไรสักอย่างเป็นปกติอยู่แล้วอืมค่ะ <c oughs> ก็ <c oughs> แบบที่พี่ป่องแปงได้สรุปจบเลยน <c oughs> ะค <c oughs> แล้วก็กลับมาเจอกับใดๆในโลกลนฟิสิกส์ของเราได้นะคะในทุกๆพอดแคสต์เพลเยอร์ Player, แล้วก็ติดตามได้ที่ YouTube channel ขอ The Standard Podcast นะคะวันนี้ฟังแล้วก็พี่ป่องแปงลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ The Standard Podcast i- Opening For your ears.